เ็ปัทธมเวรสูตรว่าด้วยภายเวณสูตรที่หนึ่งยี่สิบเจ็ครั้งนั้นแลอนาถบินทิกะขาหะบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถว า, ายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบินทิกะขาหะบดีดังนี้ว่าขาหะบดี เมื่อใดอริยสาวกระงับภัยเวรห้าประการได้แล้วและประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตติยุรชานสิ้นแล้วมีอบายทุกคติและวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตา มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าอริยะสาวกระงับภายเวนห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้ฆ่าสัตว์สองการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวนที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสามรายภพบ้างต้องเสวยทุกโทมนต์ทางใจบ้าง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 4. บุคคลผู้พูดเท็จหบุคคลผู้เสพของมืนเมาคือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเพราะการเสพของมืนเมาคือสุราและเมลไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสามรยพบบ้างต้องเสวยทุกขโทมนัตทางใจบ้าง บุคคลผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทย่อมไม่ประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปในสำปรายภพทั้งไม่ต้องเสวยทุกโตมนัตทางใจบุคคลผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วย่อมระงับ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 เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยใคร้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงาเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาห้าประการเป็นอย่างนี้แล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 และวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนจะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าปฐมเวรสูตรที่7จบ 8. ทุติยเวรสูตรว่าด้วยภัยเวรสูตรที่สอง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 สบุคคลผู้ประพฤติผิดในกาล 4. บุคคลผู้พูดเท็จ 5. บุคคลผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมยียไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมยียไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสำไปรยพบบ้าง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 ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงาเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการเป็นอย่างนี่แลภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกระงับภัยเวรห้าประการนี้ได้แล้ว